สิบสี่สติปตฏฐานวงเล็บเปิดยี่สิบเก้าธันวาคมสอพันห้า้อยสี่สิบเก้าในวงเล็บสองจุดจุดนาทียี่สิบแปดวงเล็บปิดธรรมะที่ต้องเรียนอีกอันหนึ่งคือสติปตฏฐานสติปตฏฐานต้องเรียนให้ดีเป็นธรรมะสำคัญสติปตฏฐานทำไปเพื่อสองอย่างอันแรกทำไปเพื่อให้เกิดสติ อันที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาฉะนั้นสติปัฏฐานทําเพื่อให้มีสติกับเพื่อให้มีปัญญาทีแรกยังไม่มีสติยังไม่ต้องเจริญสตินะเพราะเราไม่มีสติจะเจริญเหมือนเราไม่มีเมล็ดมะม่วงอย่างนี้ไม่มีกิ่งพันมะม่วงยังไม่ต้องไปคิดทำสวนมะม่วงนะต้องหาเชื้อพันของมันก่อนฉะนั้นเราต้องมีสติก่อนนะเราถึงจะมีสติบ่อยๆได้ถึงจะเจริญได้ทีนี้สติเกิดจากอะไร สติเป็นความระลึกได้ในรูปในนามอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสติปัตฐานถ้าสติระลึกอารมณ์ที่เป็นกุศลอื่นๆไม่เรียกว่าสติปัตฐานสติปัตฐานเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ที่สติระลึกรู้รูปนามกายใจระลึกรู้อย่างอื่นไม่ใช่สติปัตฐาน